ธรรมาชาดกแผ่นที่9าลำดับที่8โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่13กรกฎาคม2556มีชื่อเรื่องว่านกกระยางไม่ได้สร้างบุญอ้าวเงียบนะลูกหลานนะจะนี้นะ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 สิบสามกรกดาคมพุทธศักราช2556วันที่ยี่สิบสามเป็นวันอธิษฐานพรนษาของพระสงฆ์ทุกวัดที่จะจำพรรษานี่แหละถึงอย่างไรเขาขอให้พวกเราคณะสัทธายายโยมทุกหมู่เหล่าในพรรษาที่จะถึงนี้พวกเราควรจะมีสัจจะ ความจริงจังและจริงใจภายในใจข้าพเจ้าจะทำอะไรในพรรษาที่จะถึงนี้สามเดือนนีถ้าหากว่ า, เ, าเราจะทำทั้งปี เ, เราก็ไม่รู้จะทำยังไงเอาเถอะสามเดือน เ, เป็นตายไร้ดีอย่างไรกับสามเดือนข้าพเจ้าจะงดปุลีโดยเด็ดขาดเพราะข้าพเจ้างดยากเหลือเกินเอาแต่ท่ตายเป็นตาย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 เพราะข้าพเจ้าเป็นพุทธศาสนิกชนควรจะบำรุงพระพุทธศาสนาส่วนหนึ่งควรจะใส่บาตรพระผ่ า, ผานหน้าบ้านเราก็ใส่บาตรทุกวัน อ, อ, อันนี้ก็เป็นคุณงามความดีส่วนหนึ่งเพราะการทําทานในหลักของพุทธศาสนาอันธิสงแห่งการทําทาน เ, เป็นผู้ให้อดอยากแต่บางคนก็บอกโอ้ไม่รู้ว่าพระยังไง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 แต่บัดนี้ท่านเป็นอย่างนี้ขึ้นมาแล้วเนี่ยเราก็ไม่รู้จะทำยังไงอันนี้ก็คือเราต้องเลือกป่าประมิทและกัลยาณมิตรอันนี้ก็เหมือนการนั่นแหละอันนี้ก็หลวงพ่อฝากไว้ไม่ใช่ให้พวกเราเลือกหลวงพ่ออินไม่ใช่อย่างนั้นนะให้พวกเรามีหูมีตามีใจใเลือกครบเลือกทำบุญการเลือกให้ พระสุคตทรงสรรเสริญการเลือกให้พระสุคตทรงสรรเสริญอไม่ใช่ว่าเรามีข้าวปลูกมีข้าวปลูกในมือแล้วเห็นปลาก็หวานเข้าไปในปลาหวานเข้าปายาคาอปายาปลาพงที่ไหนก็หวานไปเรื่อยเออเอ้ยหวานที่ไหนก็อย่างเก่าแล้วละ่ะอมันออกงอกเงยอย่างเก่านะข้าวถ้ามันตกในดินมันจะไปไหนวะ ทดลองดูซิว่าเราหวานอย่างนั้นกับคนที่ทำแปลงนาให้ดีๆ ด, ดูน้ำให้ดีๆน้ำน้าพอเหมาะแล้วก็หวานพืชลงไปแล้วก็ใส่ปุ๋ยเข้าไปอันไหนดีกว่ากันถ้าเราไม่โง่ามากเราก็คงจะแยกออกว่าเออเนื้อนาที่ดีก็คงจะได้ผลดีท้านเราหวานเข้าป่ารงพงภยัยายากแฝกยา้าคาคงจะไม่ได้ผลมเมล็ดพืชของเรา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 หมาออกสี่ขาหกขาแห่กันไปไปกราบไปไหวมันหมาพิการมันเกิดมามันใช้กรรมของมันมันพิการจนพอแรงแล้วเราจึงไปให้ความสำคัญอยู่นี่แหละบางทีเราได้ยินพุทธศาสนิกชนหรือว่าชาวพุทธของเราเขาดการใช้ปัญญาขาดความรอบครอบสิ่งเหล่านี้อยากจะฝากไว้กับคณะัทธาญาติโยมทุกหมู่ทุกเหล่า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 พราะพุทธศาสนาจะอยู่ได้อย่างไร น, นเพราะนั้นจึงว่าการทาบุญการทาบุญสักตักบาตรพระสงฆ์ที่ผ่านหน้าบ้านของเราในพรรษานี้ถ้าว่าพวกเรามีกิจธุระภาระมากไม่สามารถที่จะใส่ตักบาตรได้ทำบุญได้เอาเถ อ, อะอย่างพวกเรา อ, อยู่จังหวัดเชียงใหม่ลําพูนลําปางที่ไหนครูบาอาจารย์พระสงฆ์ในวัดนั้น ที่รักเคารพนับถือเอาเถอะข้าพเจ้าจะถึงจะไม่ได้ทาบุญข้าพเจ้าจะตักบาตต่อพระสงฆ์หรือว่าวัดวัดนั้นววัดเจดีย์หลวงอย่างนี้เป็นต้นนะพอหลวงพ่อมารู้จักวัดมากนะ อ, อย่างที่วัดอุรอนกับวัดโพทธทิสมพรหรือวัดหลวงตาอย่างนี้ที่เราเคารพนับถือจากนั้นเราเออเอาวันนี้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 ถ้าว่าไม่มีการสร้างบุญเฉลยอ น, นิสงทานไม่มีคนเกิดพบใดชาติใดนะนั่นและตกทุกข์ใดา ย, ยากเพราะเหตุไรเพราะอ น, นิสงทานไม่มอีอย่างที่นกตัวนี้มันร้องอยู่ที่ลงมันร้องอยู่ที่ไหนแะจ๊กแจ๊กแจ๊กแจ๊กนะพระพุทธองค์สมัยหนึ่งนะท่านได้สร้างบา ร, รมีเป็นมัคคะมานพ เ, เป็นมัคคะมานพท่านเป็นคนชาวบ้านนอก พอเห็นแล้วคนทั้งหลายชอบที่สะอาดทอบที่ราบลื่นมัคคะมานุกไปกเกีย่ยไปกวาดจะมีมหอราพหรือว่ามีอะไรมีงานที่ไหนมัคคมานุย์ก็ไปกวาดคนก็ไปลุ่มยืนแล้วก็ไปนั่งตรงที่มันสะอาดมัคคมานุคนนชอบสะอาดวะค น, นชอบ เอที่สะดวกสบายจากนั้นมามขามนก็เลยไปสร้างไปปัดกวาดแล้วก็ทำเป็นม้านั่งหรือว่าทำเป็นอะไรให้คนได้พักผาอาศัยผลที่สุดก็บคนก็ชอบผลที่สุดมขามนพก็ทำถนนหนทางสร้างศาลาจ้างที่พักสร้างสระน้ำให้คนได้ไปพึ่งพาอาศัยผลที่สุก็สร้างศาลาใหญ่ ในหมู่บ้านก็มีช้างตัวหนึ่งทั้งหมดมีอยู่3ามสิบสาคนที่เป็นบริวารและก็มีช้างตัวหนึ่งที่พระเจ้าแผ่นดินให้มามาค้มมนบเลยก็พยายามทำให้ดีที่สุดให้คนได้รับความสะดวกสบายสรุปแล้วก็คือช่วยสาธารณประโยชน์และก็สร้างศาลาขึ้นมาแต่ว่ามข้ามนบเนี่ มีเมียสามคนเอยคนสมัยนั้นก็คงจะมีแต่งานมีเมียสามคนน่ะนางสุนันทานางสุธรร ม, มานางสุชาดาน่ยอ่าทีนี้ก็แต่มข้ามานพนี่บอกว่าผู้หญิงไม่ต้องเข้ามาใกล้มันเรื่องยุ่งเหยิงวุ่นวายเอาแต่คนนั่นแหละมาทํางานมข้ามานพแต่นางสุธรร ม, มานี่ยเโอ้ ถ้าหากว่าไม่ได้มีสวนร่วมเลยก็คงจะไม่ได้บุญนะคนเราเนี่ยมันต้องมีสวนร่วมนะที่จะสร้างศาลานางก็เลยทำเป็นช่อฟ้าขึ้นมาขึ้นมาแล้วไปเสนอไปเสนอให้ในายช่างเขานายช่างเขาเห็นโอ้สวยงามเขาก็เลยใส่เข้าไปเรียกว่าศาลาชื่อศาลาสุธรร ม, มานะนางสุนันทานี่ทำไปสวน ทําสวนถวายแต่นางสุชาดาเนี่ยเอ้ยสามีของฉันทํำยังไงฉันก็ต้องได้รับอย่างงั้นละเพราะว่าฉันก็เป็นแม่บ้านดูแลครอบครัวอพ่อบ้านทํำยังไงฉันก็ได้รับอย่างนั้นแต่นี้ก็มีแต่แต่งตัวทั้งบีทั้งวันไม่ได้สดใจแต่นี้พ อ, อพอตาย มัคคมานพเนี่ยตายแล้วไปสู่สวรรค์นะคนที่จิตใจกว้างขวางนี่ยไปสู่สวรรค์แต่นางสุธรร ม, มเนี่ยตายแล้วไปเป็นนางเทวดาาไปเกิดกับนู่นละ่ะชั้นสวรรค์เหมือนกันนางสุนันทาตายแล้วก็พึ่งไปสู่สวรรค์อเนศสงแห่งการทําทานนางสุธ ร, รมมมีช่อฟ้าสวยงามนางสุนันทาเนี่ย มีสวนสวยงามแต่นางชูชาดาเนะี่ยพอตายไปแล้วไม่มีอานสง์ไม่มีบุญเพราะไม่ได้ทำเอาไว้พอตายเสร็จแล้วไปเกิดเป็นนกกระยางอยู่ในหนองน้ำนะอยู่ในกลางป่า น, ะนกกระยางเขานะอาพอตายเสร็จแล้วพระ อ, อินทร์ก็ขึ้นไปอยู่สวรรค์นางมัคคามานพปุจจิตใจกว้างขวางนะช่วยเหลือชุมชนสังคม เป็นผู้ช่วยเหลือชุมชนนะ้รัมคนท่านจะไปสู่สวรรค์เป็นพระอินทร์แต่นี้นะพระอินทร์ก็ขึ้นไปเอจุธมากระคืนมาแล้วสุชาดาก็ขึ้นมาแล้วบริวารของมัคคะมานพขึ้นมาแล้วช้างที่ทํางานด้วยกเกิดเป็นช้างสามเสียนขึ้นมาพระอินทร์ก็เห็นแล้วเออครบแต่มองไปมองมานางขาดนางชุชาดานี่างชุชาดาไปไหนมาพระอินทร์ก็มองทิพะจักรสูดู ไปเห็นนกกระยางไปอยู่ในกลางโคกกลางแพ้น่ะนะ อ, อยู่ในกลางโรงน่ะนะที่เป็นหนองน้ําแห้งๆเนะ่ยนกกระยางก็หากินตะกะแตนหากินนั้นอยู่นั้นมองดูโอตายนางชด ช, ชาดาเนะี่ยไม่ได้ขึ้นมาเพราะไม่ได้สร้างคุณงามความดีไม่ได้สร้างบุญและไปอยู่ไปเกิดอย่างนั้นขึ้นมาเพราะอันในสงส์การสร้างคุณงามความดีไม่มีพระอินทร์ก็เลยลงไปก็ไปบอก กับนางนกรงงรนกระยางส่งภาษานกกระยางนกระยางขอรับรู้รับทราบจะทํำยังไงได้อดิอฉันไม่ได้ทําก็คิดว่าสามีทําแล้วก็จะได้บุญด้วยพระอินทร์เอาปะขึ้นไปดูสวรรค์พระอินทร์ก็เลยเอานกกระยางตัว น, นั้นขึ้นไปบนสวรรค์พอขึ้นไปดูบนสวรรค์แล้วนางสุธรรมมานางสุนันทาเห็นเนี่ยครับคล้ายๆว่า ไม่มองเต็มตาเนี่ยเงี้เหลือบตาใส่เพราะว่าสามีสมัยนั้นก็โกรธกันเกลียดกันพอแรงใช่ไหมกาลักษณะสมลำหน้าทําไมไม่สร้างคุณงามความดีมีแต่ตกแต่งดูแลร่างกายให้สวยงามแข่งหมูอยู่ตลอดนี่แหละอเนกสงแห่งการไม่สร้างบุญสร้างคุณสกวกรคงจะลวลักษณะอย่างนั้นนลยนางสุชาดา เป็นถึงจะเป็นนกก็จริงอยุ่แต่ว่าใจมันใหญ่ที่รับรู้รั บ, รบทราบหมดทุกอย่างนางชุชาดาเลกับอกกับพระเอ็นว่าโอ้ที่ฉันไม่อยากจะอยู่ละสวรรค์ขอลงไปอยู่ที่เก่าเถอะเป็นนกกะยา ง, ย, งยังสบายใจกว่าที่จะมาอยู่บนสวนรรค์ที่เห็นทุกคู่ทุกคนมองไม่เต็มสายตาไม่เต็มตาเราก็มองดูเราก็เราก็อายอีกเพราะเราเป็นนกกะยางนะ พระ อ, อินก็เออเอาไปพระ อ, อินทก็เลยเอาลงมาเอามาไว้ที่เก่ามาไว้ที่เก่าก็บอกเออนกนางนกควางเนอจุช า, านาเนอให้รักษาศีลห้านะอ่อให้รักษาศีลห้าให้แข่งครัตนะแล้วก็ตั้งความปรารถนาไว้ว่าอา น, นิสงส์ศีลห้าของข้าพเจ้าขอให้ไปเกิดบนสวรรค์ด้วยเถิดคิดอย่างนั้นนะเออให้ตั้งคิดตั้งใจอย่างนั้นนะเดี๋ยวจะได้ไปสู่สวรรค์ พระอินทร์สั่งจากนั้นก็เลยไปปล่อยไว้นกกระยางไว้กลางป่าที่เป็นหนองน้ําแห้งนกกระยางตอนนั้นก็พอได้รับคําสั่งจากพระอินทร์บอกแล้วก็รักษาศีลห้าเลย เ, เห็นตะกะตรงตะกะแตนก็ไม่กล้ากินไม่กินเพราะว่ากลัวจะขาดศีลถ้ากินก็กิกนที่ตัวที่มันตายแล้วนะพวกกบพวกเขียด น้อยพวกต ก, กะแตนจะมันก็ไม่ตายทุกวี่ทุกวันใช่จากนั้นนางนกกระยางตัวนี้ก็เลยอยู่ไม่นานมันก็เลยตายแตพอตายก็อนกสงสินที่นกกระยางตอนนั้นรักษาศีลแบบอุกฤษอุทธิศินรักศีลอย่งกว่าชีวิตอนกสงสินของนกกระยางท่านั้นพอตายปับ๊บวิญญาณก็เลยขึ้นไปอยู่สวรรค์อ อูสวรรค์พร้อมหน้าพร้อมตากันนี่แหละสรุปแล้วก็คือนิทานในเรื่องนี้พระพุทธองค์ปรลบอยู่ที่กรุงสวรรค์ถีนะมาในพระไตรปิฎกนะที่หลวงพ่อพูดให้ฟังนี่ยไม่ใช่นิทานปลำปรานิทานมาในพระไตรปิฎกก็สรุปแล้วก็คือเหมือนคนอื่นสร้างบุญเราจะได้ด้วยอย่างนั้นใช่ไหมใช่ได้แต่เราต้องอนุโมทนาแบบเข้มงวดกวดขัน ไม่ใช่ว่าปล่อยปลาแล้วเลยเห็นคนอื่นทำแล้วก็เออทำทำก็ทําไปเพ้อเพลยังขัดเครื่องเข้าอีกอันนี้สงฆ์จะไม่เต็มที่ไม่เต็มเปี่ยมอย่างเหมือนกับนางสุชาดานะถึงมรคมาทบจะทําสร้างบุญสร้างกุศลจนได้เป็นพระอินทร์แต่ตัวเองไม่ได้สร้างก็กลับกลายเป็นนกกระยางไปอย่างนั้นไปได้เพราะฉะนั้นการสร้างบุญสร้างกุศลใครทําใครได้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 อนุโมทนาสาธุเนอะคุณพ่อคุณแม่นะปู่ย่าตายายลูกหลานเนอะอันนี้ได้ทําบุญแล้วเขาอนุโมทนาเขาก็ได้ได้บุญจากเราแต่จะให้เหมือนคนทำนะั้นไม่เหมือนเหมือนกับเราไปทํางานเขาให้รางวัลเราเราได้เงินเดือนเท่าไหร่วันละเท่าไหร่เรามาแล้วก็แบ่งให้เราจะแบ่งให้เขายัางไงแต่ตามไม่จริงการแบ่งเราก็เอายินดีให้ทั้งหมดนะนะั่นแหะแต่เขาจะเอาทั้งหมดได้เหรอพ่อ เขาไม่ได้ทำาเขาก็ได้อันโมทนาก็ได้มีส่วนในการสั่งสมคุณงามความดีกับเราไปบ้างนี่แหละสิ่งเหล่านี้ก็ฝากไว้กับพวกเราคณะสัตย า, าญาณโยมทุกหมู่เหล่าพวกเราได้มาคราวนี้ก็มาเพื่อจะบวชพระไว้ในพระพุทธศาสนาพระทั้งสิบสามองค์ทางว่าพวกท่านเหล่านี้นะทั้งสิบสามองค์นะท่านมาปฏิบัติท่านภาวนาจิตใจของท่านได้รับความสงบ พวกเราก็ได้อเ น, นสง์มากในระดับหนึ่งแต่ท่านได้เป็นพระโสดาบันพระจกทาคามีพระรหันธ์ถ้าว่าท่านเรานี่ได้เป็นพระรหันธ์นะพวกเรานี่ยิ่งกว่าถูกหวยแจ็คพอตเหมือนกันเถอะเทวีคูณเท่าไหร่เพราะอเ น, นสง์แห่งการได้มาบวชพระในไว้ในพระพุทธศาสนาเพราะ น, นอเ น, นสง์มากนะข้นะนะาพเจท้า ญ, ญาติโยมพวกเราได้ฝากฝังลูกหลานไว้ในพุทธศาสนา เป็นทายาทของพวกเราเอาตอนนี้ไปรับพรในทะี่นี้นะ